เจริญพรทุกๆ ท, ท่านคนสุรินนะสมัยก่อนที่หลวงปู่ ด, ดูลยงอยู่นะคนสุรินเนี่ยภาวนาเยอะมากเลยขึ้นชื่อหรือชานะ้าว่าสนใจเรื่องการปฏิบัติอย่างคนจังหวัดอื่นคนภาคอีสานาจังหวัดอื่นนะคนอูบลคนหนองคายคนอะไรกอุดร เขาสนใจทำบุญแต่คนสุรินเนี่ยนะไม่ค่อยทำบุญเพราะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่แต่ขยันภาวนาเป็นจังหวัดที่เด่นมากเลยในอดีตนี่ทุกวันนี้บ้านเมืองมันเจริญขึ้นคนก็ถูกดึงเข้าระบบแรงงานอะไรต่ออะไรไปมีงานมีการทำกันการภาวนามันก็เริ่มหย่อนลงไป ในความเป็นจริงแล้วเมืองสุรินทร์นยยุคที่หลวงปู่ดูลอยูนะ่หลวงพ่อกล้าพูดอย่างหนึ่งนะหลวงปู่ดูลเนี่ยไม่แพ้ครูบาอาจารย์องค์ไหนเลยอยากจะบอกว่าเก่งกว่าองค์อื่นด้วยซ้าไปแต่ว่าเกรงใจเขาแลหลวงพ่อเองนะครูบาอาจารย์มากเตอมมาเรียนกรรมาฐานนะตอนเด็กๆก็เรียนกับท่านพ่อลีม า, าโสกครัม ได้เรียนเรื่องสมาธิเรื่องอนาปา น, าานาสติเรียนอยู่22ปีจนมาปี2525ถึงได้มาเรียนกับหลวงปู่ดุลเรียนจากหลวงปู่ดุลแล้วหลวงปู่รับรองแล้วว่าเข้าใจละหลวงพ่อก็ออกไปดูไปกราบครูบาอาจารย์อื่นๆนะหาประสบการณ์ก็พบว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านดีๆท่านเก่งๆท่านสอนลงที่เดียวกันหมด สอนลงที่ใจอันเดียวเลยเจียวองเจียวก็สอนลงมาที่ใจวั น, นี้เวลาเข้าไปกราบเนี่ยกระทั่งครูบาอาจารย์ที่ท่านชอบสอนเรื่องกายพุโทโธพิจารณักกายนะส่วนใหญ่จะสอนกันอย่างนั้นแต่ถ้าหลวงพ่อเข้าไปนะท่านจะสอนเข้าที่ใจเพราะใจมันเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในธรรมะทั้งหลายทั้งปวงได้ใจก็คือได้ธรรมะนะเสียใจไปก็เสียธรรมะไป เรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องใหญ่ถ้าเราฉลาดพอเราฝึกสติของเราคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองเนืองเนืองมันรู้ไม่ยากอะไรหรอกจิตใจเราเป็นบุญหรือเป็นบาปมันก็รู้ไม่ยากถ้าสนใจจะรู้จิตใจจะดีหรือใจจะชั่วนะไม่ยากอะไรโกรธโลภหลงทุกคนก็รู้จักอยู่แล้ว สุขทุกทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนี่คนทั่วๆไปเนี่ยมันละเลยจิตใจของตัวเองมนสนใจสิ่งอื่นอย่างพอตามองเห็นสาวสา ว, ส, าวสวยๆมันก็มองแต่สาวไม่ย้อนมาที่ใจมันใจกำลังมีราคะมีความชอบเขาหนะลงเขาอะไรนี่ไม่ย้อนมาที่ใจตัวเองเวลามีคนทำให้เราโกรธ เราสนใจคนที่ทำให้เราโกรธก็คอยจับผิดเ็าคอยเฝ้าดนะูเราไม่สนใจจิตใจของเราว่ามันกำลังโกรธอยู่เนี่ยหลวงพ่อมาหาหลวงปุ่ดูลนครั้งแรกวันที่6กลุ่มพา2 5 2พันท่านอยู่กุฏิตรงนี้มาถึงตอนเช้าท่านฉันเช้าอยู่ก็นั่งรออยู่ข้างหน้าแล้วท่านออกมาแล้วก็เข้าไปกราบท่าน หลวงปู่ผมอยากภาวนาอยากผมผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ท่านก็หลับตาเงียบๆนะเกือบชั่วโมงหลวงปู่ดูลไม่เหมือนครูบาอาจารย์อื่นๆครูบาอาจารย์อื่นๆเนี่ยถ้าเราไปทำกรรมฐานในส่วนใหญ่นะถ้าท่านเคยทํามาแบบไหนท่านก็จะสอนแบบนั้นแต่หลวงปู่ดุลท่านจะดูว่าเราควรจะทํากรรมฐานอะไรท่านจะดูเป็นคนๆเลย ครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่เคยเจอองค์ที่สองเลยเคยมีองค์เดียวที่เห็นเองแลหลวงปู่ดลนท่านหลับตาไปนานท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนนสอนเข้าที่จิตเลยแล้วท่านบอกด้วยการปฏิบัติไม่ยากมันยากที่ไม่ปฏิบัติเท่านั้นแหละถ้าลงมือปฏิบัติไม่ยากอะไร ส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจการปฏิบัติธรรมนะเราไม่รู้ว่ามคืออะไรคนส่วนมากเวลาคิดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่จะทำนั่นก็คือบังคับกายบังคับใจเดินต้องเดินท่านี้นั่งต้องนั่งท่านี้ยืนต้องยืนแบบนี้จะกินข้าวต้องทําท่าอย่างนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างกําหนดไปหมดเลยมีเงื่อนไขมากมายือที่หลวงปู่ดูลสอนนะมันง่ายกว่านั้นอีกนะ ท่านบอกว่ามันยากคนที่ไม่ปฏิบัตินะีคนไม่ปฏิบัติหมายถึงปฏิบัติไม่เป็นนะมันบังคับตัวเองไม่บังคับกายก็บังคับใจเมื่อเราบังคับกายบังคับใจนะใจของเราจะผิดธรรมชาติใจมันจะนิ่งๆเฉยๆว่างๆไปหรือไม่ใจมันก็เคร่งเครียดใจที่ผิดธรรมชาติเนะี่ยไม่สอนธรรมะเราหรอกเรียนธรรมะไม่ได้จริง ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละจะสอนธรรมะเราได้ท่านบอกให้เราอ่านอ่านใจตัวเองเหมือนเราอ่านหนังสือถ้าไม่ได้บอกให้เราแต่งหนังสือถ้าท่านบอกให้เราแต่งหนังสือนะก็ยากอ่านหนังสือจะยากอะไรหนังสือมีบทรักเราก็อ่านบทรักหนังสือมีบทโกรธเราก็อ่านบทโกรธมีอาฆาตเราก็อ่านบทที่อาฆาตมีดีใจมีเสียใจเราอ่านหนังสือ อ่านไปอย่างที่หนังสือมันเป็นการดูจิตดูใจก็เหมือนกันนะให้อ่านใจตัวเองไปใจเรามีความสุขให้รู้ใจเรามีความทุกข์ให้รู้ใจเราดีใจเราชั่วให้รู้รู้อย่างที่ใจมันเป็นอันนี้แหละที่เรียกว่าการดูจิตดูจิตพวกเราบางคนนะทุกวันนี้คนเอาคําว่าดูจิตที่หลวงปู่พูดถึงเนี่ยเอาไปสอนเนเยอะมากเลยนะ ทั้งที่บางคนนั้ไม่เคยรู้จักหลวงปู่หรอกแล้วอ่านอ่านแล้วเขาศรัทธาเขาตีความเอาเองถ้ามันคลาดเคลื่อนจากที่ท่านสอนคนจํานวนมากนะที่เขาว่าดูจิตดูจิตเขาไม่ได้ดูจิตเข้าไปเพ่งจิตอย่ดูจิตหมายถึงว่าจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้ส่วนเพ่งจิตเนี่ยห้ามชั่วห้ามฟุ้งซ่านต้องดีต้องดีต้องสุขต้องสงบเนี่ยเข้าไปบังคับจิต ถ้าเราเข้าไปบังคับจิตนะจิตมันก็ผิดธรรมชาติผิดธรรมดาไม่สามารถแสดงความจริงให้เราดูได้ถ้าเราไม่บังคับมันเราจะเห็นว่าจิตใจนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมื่อนเราอ่านหนังสือเปิดไปทีละหน้าทีละหน้าเดี๋ยวก็ถึงบทรักเดี๋ยวก็ถึงบทโกรธเดี๋ยวก็เป็นบทสุขเดี๋ยวก็เป็นบททุกข์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจิตนี้ก็เหมือนกันจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเปลี่ยนตอนไหนบ้าง จิตนี้มันเปลี่ยนเมื่อตามองเห็นจิตมันเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นกระทบรถเมื่อร่างกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งร่างกายกระทบนะความตึงความไหวจิตมันเปลี่ยนเมื่อใจเม็นคิดนะงั้นจิตมันเปลี่ยนเมื่อมีการกระทบอารมณ์กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้หกช่อง มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็รู้สัมผัสทางกายมีใจมันจะคิดนึกก็ไม่ว่ามันให้มันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเราก็จะพบอย่างหนึ่งเมื่อตามมองเห็นจิตก็ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างในสิ่งที่เห็นจิตเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง <เ>พอเห็นอย่างนี้เกิดกุศลเห็นอย่างนี้เกิดอกุศลเห็นอย่างนี้รักเห็นอย่างนี้เกลียดเนี่จิตมันมีปฏิกิริยาขึ้นมาเวลาหูได้ยินเสียงเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจนานาชนิดเกิดขึ้นมาในจิตในใจเราเวลาใจมันคิดบางทีก็เป็นสุขบางทีก็เป็นทุกข์ขึ้นมาคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลง แน่ใจมันมีความเปลี่ยนแปลงว่ามันมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจการดูจิตไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าจิตแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์หลวงปู่ดูลสอนบอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกหมายถึงส่งออกไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เมื่อมันส่งออกนอกแล้วเนี่ยมันกระทบอารมณ์แล้วนะมันมีความกระเพื่อมบั่นไวขึ้นมา มันก็ปลุงเป็นความสุขขึ้นมาบ้างเป็นความทุกข์ขึ้นมาบ้างอย่างเราเห็นหน้าคนนี้มีความสุขเห็นหน้าคนนี้มีความทุกข์นั่นปรุงขึ้นมาเห็นหน้าเห็นสิ่งนี้จิตเป็นกุศลเห็นสิ่งนี้โลภเห็นสิ่งนี้โกรธเห็นสิ่งนี้หลงแม่จิตมันมีปฏิกิริยาขึ้นมาเวลาที่เราจะดูจิตดูใจนะเราไม่ได้ไปดูจิตเฉยๆเราให้จิตนี้ทํางานไปตามธรรมชาติเมื่อทํางานแล้วเกิดสุขก็ให้รู้เกิดทุกข์ก็ให้รู้ เกิดกุศลก็ให้รู้เกิดอกุศลก็ให้รู้นี่แหละที่เรียกว่าการดูจิตนะเหมือนการอ่านหนังสือบทของหนังสือนี้เป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าหนังสือเล่มนี้ห้ามมีบทรกักห้ามมีบทโกรธมีบทเดียวนะคือเฉยเฉยเปิดหน้ามี่หนึ่งก็มีแต่คำว่าเฉยเฉยเฉยฉยอะไรเงี้ยไม่มค่อยอ่านหรอกนะไม่ได้เรื่องได้เรา นถ้าพวกเราจะเรียนรู้ธรรมะของหลวงพุดูลเรื่องการดูจิตดูใจต้องรู้นะว่าการดูจิตไม่ใช่การเพ่งจิตไม่ใช่การบังคับจิตแต่เป็นการรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตความเคลื่อนไหวเคลื่อนยังไงจิตเดี๋ยวก็เคลื่อนไปทางตาเดี๋ยวก็เคลื่อนไปทางหูเดี๋ยวเคลื่อนไปทางจมูกเดี๋ยวเคลื่อนไปทางลิ้นเดี๋ยวเคลื่อนไปทางกายเดี๋ยวเคลื่อนไปทางใจจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วเราก็ดู ความรู้สึกที่เปลี่ยนแะปลงพอมันเคลื่อนไปที่ตาไปเห็นรูปอย่างนี้เกิดสุขเห็นรูปอย่างนี้เกิดทุกข์ให้รู้ว่ามีสุขมีทุกข์เห็นรูปอย่างนี้โลภอย่างนี้โกรธอย่างนี้หลงให้รู้ว่ามันมีโลภมีโกรธมีหลงอันนี้มันจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะท่านสอนเนีพิสูจทั้งหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคานะท่านไม่ได้บอกนะว่าพิสูจทั้งหลายห้ามมีราคะพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะ มีราคาได้มีโทสะได้มีโมหะฟุง้งซ่านได้เพราะอะไรมันเริ่มมาจากการกระทบอารมณ์เพราะมีผัสสะเรียกว่าผัสสะหรือการสัมผัสนะตาไปสัมผัสกับรูปนะก็เกิดความรู้สึกขึ้นนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเนี้ยใจมันจะวิ่งออกไปวิ่งออกไปดูรูปแล้วก็เกิดปฏิกิริยาต่อรูปวิ่งไปฟังเสียงแล้วเกิดปฏิกิริยาต่อเสียงเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วขึ้นมาวิ่งไปคิด แล้วก็เกิดปฏิกิริยาต่อความคิดต่อเรื่องราวที่คิดเกิดเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาให้รู้นะไม่ใช่ว่าห้ามกระทบอารมณ์มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่เมื่อคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วให้รู้รู้เพื่อวันหนึ่งเราจะได้เห็นนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอย่างเวลาตาเรามองเห็นรูปเรามีความสุขนี เรารู้ทันว่ามีความสุขเราก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่คนทั่วไปมันไม่ดูตาเห็นรูปนะมีความสุขมันก็ดูแต่รูปเห็นสาวสวยๆเดินมามัาก็ดูแต่สาวอะไรเงี้ยหรือเห็นศัตรูเห็นคนที่เราเกลียดเวลาคนที่เราเกลียดมาเราก็สนใจดูรู้สึกไหมไม่ใช่เฉพาะคนที่เราชอบนะที่เราสนใจคนไหนที่เราเกลียดเราก็คอยดูนะดูซิมันจะมาไม้ไหน เนื้อใจมันจะออกไปตลอดเวลาไปสนใจคนอื่นย้อนกลับเข้ามาย้อนกลับเข้ามานิดเดียวเองมันเห็นอย่างนี้แล้วมันมีสุขให้รู้ทันมันมีทุกข์ให้รู้ทันมันเกิดโลปเกิดโกรธเกิดหลงให้รู้ทันเกิดจิตเป็นกุศลให้รู้ทันถ้าเรารู้นะตาเห็นรูปใจมีความสุขเนี่ยเราก็ดูความสุขมันเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวความสุขจะหายไปเวลาหูได้ยินเสียงใจเกิดความทุกข์ รูว่ามีความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็จะหายไปเวลาใจมันคิดบางทีก็เกิดสุขบางทีก็เกิดทุกข์เคยไหมคิดแล้วมีความสุขเป็นไหม เ, ออเป็นฝันเด็กๆนะย่างอายุน้อยๆคิดอนาคตไปมีความสุขถ้าแก่หน่อยคิดอดีตไปแล้วมีความสุขนะคิดไปแล้วมีความสุขก็ได้คิดไปแล้วมีความทุกข์ก็ได้อย่างแก่แล้วก็คิดถึงเนี่ยพรุ่งนี้คงจะตายแล้ว นะใกล้าตายแล้วใกล้จะสูญเสียแล้วนะใจก็เป็นทุกข์นะถ้าเด็กๆ ก, ก็คิดย้อนไปอดีตนะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ต้องคิดอนาคตถึงจะสนุกในะใจเราคิดมันก็เกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้างแล้วก็รู้มีความสุขขึ้นมานะไม่ใช่ว่าห้ามรู้สึกนะพวกนักปฏิบททัติที่ผิดดนะูจิตที่ผิดนอันแรกเลยห้ามกระทบอารมณ์มีตาไม่ดูมีหูไม่ฟงังกูจะเพ่งของกูนิ่งๆอยู่างในนะ อันที่สองพอกระทบอารมณ์แล้วห้ามมีความรู้สึกห้ามมีความสุขห้ามมีความทุกข์จะต้องอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความรู้สึกอันหนึ่งมีค่าเท่ากับสุขทุกข์นั่นแหละหรือว่าห้ามชั่วต้องดีอย่างเดียวนะอย่างนี้ดูจิตไม่เป็นหรอกดังนั้นถ้าจะดูจิตให้เป็นนะมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันชั่วก็รู้แล้วเราก็จะเห็นนะว่าสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายโลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนะ ความดีที่เกิดในใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายยกตัวอย่างความดีเช่นอยากมาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยใจเป็นกุศลอยากฟังธรรมะมาฟังได้ประเดี๋ยวหนึ่งนะอยากกลับบ้านมันเมื่อยแนละ้วอยากไปนอนนะเนี่ยความชี้เกียจมันเริ่มมาแทรกแซงเราก็นั่งนินทาหลวงพ่อเมื่อไหร่จะจบสักทีเมื่อไหร่จะจบสักทีนะเนี่ยใจเป็นกุศลห้ามได้ไหมสั่งได้ไหมว่มาจิตต้องเป็นกุศลสั่งได้ไหมว่มาจิต ห้ามเป็นอกุศลสั่งได้แม้ว่าจิตต้องสุขสั่งได้แม้ว่าจิตอย่าทุกข์นะนี่เราเรามาเรียนให้เห็นความจริงของจิตของใจเราตรงนี้เรียกว่าการดูจิตที่แท้จริงพอกระทบอารมณ์แล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วก็ความจริงมันก็จะแสดงให้ดูความรู้สึกทุกชนิดไม่เที่ยงความรู้สึกทุกชนิดสั่งไม่ได้ไม่ใช่ว่าต้องดี ถ้าเราคิดว่าภาวนาเนี่ยนะต้องดีต้องสุขต้องสงบเนี่ยอันี้ภาวนาไม่เป็นหรอกมันคือสมถะธรรมฐานสมถะกรรมฐานนะจิตไม่ดีฝึกให้ดีจิตไม่สุขฝึกให้สุขจิตไม่สงบฝึกให้สงบให้มันแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขได้อะไรก็ได้ความสุขได้ความสงบตายไปก็ไปเกิดอีกให้เกิดในภพภูมิที่ดมีมีความสุข ม, มีความสงบแต่ถ้าเราอยากจะพ้นจากวัตฏะพ้นจากความทุกข์จริงๆเนี่ย ให้ดูความรู้สึกนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็ดูปฏิกิริยาของใจนะที่แรกใจไหลออกไปกระทบอารมณ์พอกระทบอารมณ์แล้วกเกิดความรู้สึกเช่นสุขทุกข์ดีชั่วเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วก็เกิดปฏิกิริยาซ้อนขึ้นมาอีกเกิดสุขก็พอใจเกิดทุกข์ไม่พอใจเกิดดีก็พอใจเกิดชั่วไม่พอใจเนี่ยเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาอีกงั้นเวลาดูใจดูใจนะเป็นธรรมชาติมากเลย ตาหูจมูกลิ้นกใจจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ให้รู้เกิดรู้สึกดีรู้สึกชั่วให้รู้และถ้าใจเรามีปฏิกิริยาขึ้นนะซ้อนขึ้นมาอีกเวลามีความสุขก็พอใจรู้ว่าพอใจมีความทุกข์ไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจเกิดกุศลพอใจรู้ว่าพอใจเกิดอกุศลโลภปลดหลงไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจอย่างเวลาเราภาวนาเคยไหมนั่งภาวนาแล้วใจฟุ้งซ่านเป็นไหม ใจฟุ้งซ่านแล้วทายังไงก็หาทางทําให้สงบอันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมะถะกรรมฐานนะก็จะได้ความสงบขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวถ้าทําเป็นแต่ว่ามันไม่ได้ดีเลิศถ้าดีเลิศนะให้เรารู้เข้าไปใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านเราจะเห็นว่าใจมันฟุ้งซ่านได้เองนะเราไม่ได้สั่งให้ฟุ้งซ่านเลยเราสั่งให้สงบแท้ๆมันดันไปฟุ้งซ่านจิตนี้ไม่อยู่ในอํานาจบังคับ ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าเราเกิดปัญญาล้เราเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้หรือว่ามันฟุ้งซ่านเราก็แค่รู้แค่เห็นนะไม่นานมันก็หายฟุ้งซ่านเพราะวาความฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงนะกลายเป็นสงบสงบอยู่ไม่นานนะก็กลับไปฟุ้งซ่านอีกแล้วนะดีไม่นานก็กลับไปชั่วชั่วได้ไม่นาน ก, กลับมาดีอีกเนี่ยดูความพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะอย่างบางทีจิตมีราคะแล้วก็หายเนี่ยมันก็พลิกไปพลิกมา จิตมีโทส ะ, แ ล, ะแล้วก็หายโกรธขึ้นมาแล้วก็หายโกรธเนี่ยมันก็พลิกไปพลิกมาจิตฟุ้งซ่านแล้วก็สงบนี่ก็พลิกไปพลิกมาเ น, าน่จิตมันพลิกไปพลิกมาเราก็คอยรู้คอยดูเราก็จะเห็นว่าก็จิตนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยมันไม่เที่ยงนะแล้วมันจะเป็นอย่างโน้นมันจะเป็นอย่างนี้สั่งมันไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเนะนียการดูจิตดูใจนะถ้าดูเป็นเราก็จะเห็นว่าจิตใจนี้ไม่เที่ยงบ้างจิตใจเป็นอนัตตาบ้าง แต่ดูจิตใจให้เห็นว่าเป็นตัวทุกข์นี่ยากที่สุดเลยนะไม่เหมือนดูกายดูกายนี่จะเห็นได้ง่ายเลยว่าเป็นตัวทุกข์นะแต่ดูกายให้เห็นอันนี้จังยากนะอย่างเรานั่งดูร่างกายนะี่หน้าตาเรามันไม่ได้เปลี่ยนเร็วนะมันไม่ค่อยจะเปลี่ยนเร็วใช้เวลาแต่ถ้าดูจิตนะจิตเปลี่ยนเร็วแวบบแแ ว, ปแ ว, ปแวปไปเรื่อยกระทบอารมณ์ทีจิตก็เปลี่ยนทีงั้นเราถ้าเราจะดูจิตดูใจนะอย่าบังคับจิตให้นิ่ง มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ให้มีสติรู้ทันพอมันกระทบอารมณ์แล้วมีความสุขให้รู้มีความทุกข์ให้รู้มีความโลภให้รู้ความโลภหายไปก็รู้นะความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธหายไปก็รู้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็รู้ความฟุ้งซ่านหายไปกลายเป็นความสงบก็รู้หรือใจหดหู่ความหดหู่เกิดขึ้นแล้วอยู่ชั่วคราวก็หายเหมือนกันนะ ไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่หายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นะเรียกว่าการเจริญปัญญาถ้าเราเจริญปัญญาไม่เป็นเอาแต่ทำใจให้นิ่งให้ว่างมันได้แต่สมาธิสมาธิมันก็ดีเหมือนกันแต่มันดีแบบสมาธิมันมีความสุขอยู่ชั่วเวลาที่ยังทำสมาธิอยู่พอออกจากสมาธิแล้วใจมันกลับไปฟุง้งซ่านเหมือนเดิมหรือถ้าติดสมาธิออกจากสมาธิแล้วจะฟุง้งซ่านมากกว่าเดิม ยังเคยเห็นไหมพวกเข้าวัดมากๆนั่งสมาธิเยอะๆนะสงบมากๆนี่แหละเวลาสติแตกนี่นะร้ายกว่าคนปกตินะจะโมโหโทโซรุนแรงกว่าคนปกติเพราะอะไรตอนที่นั่งสมาธิมไปข่มใจให้นิ่งใจนี่มันคิดบัญชีนะสะสมไปเรื่อยความเครียดแค้นของมันพอหมดแรงบังคับนั้นมันดีดผางออกมากลายเป็นร้ายกว่าคนธรรมดายอย่างนั้นการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยไม่ใช่ฝึกแค่ให้มันดีให้มันสุขให้มันสงบ เพราดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงแต่เราฝึกให้มันฉลาดให้มันเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปต้องเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเห็นดูซ้ําไปซ้ํามาหลวงพ่อมาเรียนจากหลวงปู่ดูลย์ทีแรกท่านก็สอนเนี่ยบอกว่าอ่านักสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองกลับบ้านไปก็คอยสังเกตจิตตนเองนะจนกระทั่งจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาเอ่ความรู้สึกไม่ใช่จิตที่อย่างนี้นะความรู้สึกไม่ใช่จิต เราก็จ้องอยู่ที่จิตจิตเป็นคนไปรู้อารมณ์กลายเป็นว่าพยายามรักษาจิตให้เป็นผู้รู้ตลอดเวลาคืออยู่สมเดือนเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้นะไม่เข้าไปเกาะอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้หรอกพอกจิตเข้าไปจับอารมณ์ปุ๊บดูปุ๊ บ, บเนื้อดีดพางออกมาเป็นผู้รู้อีกละนั่นนะี่จิตเป็นทรงสมาธิอยู่นึกว่าดีมากแล้วนะมาส่งกันบ้านหลวงปู่ครั้งที่สองนะับอกหลวงปู่ครับผมดูจิตเป็นละจิตเป็นยังไง โอยจิตมันมีจิตพิสดารเดี๋ยวมันสุขเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายนะแต่ผมดูไปได้วยดูแล้วใจมันปล่อยนะมาเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยผมดูจิตผู้รู้อยู่รู้สึกตัวอยู่ได้ตลอดเลยลุงปู่บอกดูไม่เป็นแล้วอันนั้นแทรกแซงจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งนี่เป็นทำจนกลายเป็นจิตรู้อย่างเดียวไม่มีไม่ใช่จิตคิดนึกปรุงแต่งเลยนะจิตเสียธรรมชาติปกติธรรมดาไปแล้วนะนี่เป็นการแทรกแซงจิต งั้นถ้าจะไม่ได้แทรกแซงจิตทําไงท่านไม่บอกหรอกท่านบอกแต่ว่าทําผิดแล้วละ่นะนั้นไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมันจะต้องมีอาการสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างดีบ้างร้ายบ้างนี่ไปทําอยู่กระทั่งจิตเฉยๆอยู่รักษานะึกคิดว่าดูจิตนะเนี่ยเจ๋งมากเลยนะมาส่งกันบ้านนึกว่าหลวงปู่จะชมท่านบอกว่าทําผิดแล้วไปแทรกแซงอาการของจิตเอาละว่าทําไงเนื้อในใจว่าทําไงดีท่านบอก ไปทํำไมไม่บอกเลยนะว่าให้ทํำยังไงครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะถ้าจะพูดไปแล้วเป็นพ่อแม่ที่โหดมากเลยให้เราศึกษาให้เราดิ้นรนต่อสู้เอาแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันทําให้เราเข้มแข็งอย่างพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยจะโอบลูกนะจนกระทั่งลูกมีหลานแล้วนะพ่อแม่ยังต้องเลี้ยงอยู่เลยเลี้ยงลูกแล้วต้องเลี้ยงหลานต่อนะมันอ่อนแอหลวงปูดุลไม่เป็นครูบาอาจารย์อย่างนั้นหลวงปูดุลนะโอ้ oh. โหดมากเลยคำสอนของท่านนะแบบไม่มีช่วยเรานะชี้ให้เราไปทำเอาไปดิ้นรนเานะแล้วก็มาส่งัันบ้านท่านกลับมารายงานถูกหรือผิดว่ากันนะรอบแรกผิดไปแล้วไปบังคับจิตให้นิ่งๆไปบังคับจิตให้รู้สึกตัวตลอดเวลานะจากตัวรู้เนี่ยเด่นดวงอยู่แท่ทั้งวันเลยขนาดตัวรู้เด่นดวงเลยทั้งวันยังไม่ถูกเลย ทำยังไงหลวงปู่ว่าแทรกแซงอาการของจิตแล้วก็ต่อไปนี้ไม่แทรกแซงระหว่าจิตเป็นยังไงจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถึงได้เห็นกระบวนการของมันว่าจิตนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดเนื้อพร้อมกระทบอารมณ์อย่างนี้แล้วจิตมันเปลี่ยนแปลงเกิดสุขบ้างเกิดทุกข์บ้า ง, เ ก, างเกิดบีบบ้างเกิดชั่วบ้าง เห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วเราก็บังคับไม่ได้าบังคับมันไม่ได้เนี่ยพร r n าทีแรกทําผิดอยู่3เดือนมาหาหลวงปู่หลวงปู่ให้ไปทําใหม่ให้ไปดูนะไม่ใช่ให้ไปทำนะให้ไปดูนะไม่ใช่ให้ไปทําของเราก็ทําอะไรทําความสงบทําความดีทําความสุขท่านบอกให้ไปดูดูก็คือมันดีก็รู้มันชั่วก็รู้นะมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้ รู้แล้วเราก็เห็นทุกอย่างเกิดเราดับพอนาอยู่สเดือนนะสี่เดือนแล้วก็ใจมันเปลี่ยนแปลงไปก็มั่นใจแล้วล่ะก็มากราบท่านอีกตอนนี้ไม่ใช่ว่าสเดือนปุ๊บมานะมีจังหวะคล้ายๆว่ารอจังหวะช่วงไหนเวลางานได้มามาวันนั้นกำลังมีงานช้างอยู่งานช้างเมืองสุรินทร์เขมีเดือนไหนจําไม่ได้แล้วใครรู้บ้าง พิเศษจิกา<ม>เออประมาณนั้นแหละเดินเข้ามาหาท่านนะเขายังไม่เก็บสตังค์ค่าผ่านทางเพราะมาแต่กลางวันมาอยู่กับท่านส่งกัรบ้านมาอะไรนะเงี้ยท่านบอกภาวนาเป็นแล้วละ่ะช่วยตัวเองได้นะใจมันมีความอิ่มนะมนอิ่มของมันงานช้างเสียงดังๆเนี่ยไม่เข้ามาถึงใจเราให่เราสงบใจเรามีความสุขใจมันไปเห็นอะไร ใจมันไปเห็นว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยสุขทุกข์ดีชั่วเกิดเราดับทั้งสิ้นจิตจะดีจิตจะชั่วจิตจะสุขจิตจะทุกข์สั่งไม่ได้นะจิตเป็นของจิตเองอย่างนี้แะไเรียกว่าตัวปัญญานะะปัญญาอย่างนี้ตัวสำคัญพวกเราต้องค่อยๆฝึกจนกระทั่งจิตเกิดปัญญาอย่าไปคิดล่วงหน้าบางคนไม่เกิดปัญญามันเอาแต่คิดเอานะ เรนคอยคิดเอาว่ามีความสุขเกิดขึ้นมาก็รีบคิดเลยเดี๋ยวสุขก็ไม่เที่ยงนะอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงมัวแต่คิดมันเลยฟุ้งซ่านเลสุขหายไปนี่นไม่เที่ยงแล้วไม่เที่ยงแล้วที่แท้ไม่เที่ยงเพราะตัวเองเขาไปคิดฟุ้งซ่านทัพปร ะ, ะนะหรือมันสงบอยู่ก็ไปคิดฟุ้งซ่านขึ้นมามันก็หายสงบแล้วบอกนี่นี่มันไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ใช่นะให้รู้อย่างที่เขาเป็นจริงๆใจถึ ง, ถงๆหน่อยอย่าเข้าไปแทรกแซงมันนืรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าแทรกแซงเมื่อไหร่นะ จิจะตกไปสู่ความสุดโต่งที่เรียกว่าอัตตะกิรมาฐานุโยคจะสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองให้ลําบากนะงั้นเวลาฝึกจิตฝึกใจนะเราเรียนมาในวัดหลนงปุดุลนะสืบทอดธรรมมาของท่านมาให้ได้ทุกวันนี้มันเพียนไปมากนะบางคนน่าอ้างอ้างดูจิตดูจิตไปเพ่งจิตให้ว่างๆอยู่หลวงปู่โดนโขกหลวงพ่อมาก่อนแล้วหลวงพ่อไม่ได้ไปเพ่งว่างๆด้วยนะหลวงพ่อเพ่งอยู่ที่จิตเลยยังโดนเลย ใหเพ่งว่างๆนี่ยิ่งออกนอกก็้าอีกยิ่งใช้ไม่ได้ใหญ่เพราะฉะั้นเราไม่บังคับนะเราไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบแต่พาจิตให้มันเรียนรู้ความจริงให้เห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงดีก็สั่งไม่ได้นะชั่วก็สั่งไม่ได้ สุขก็สั่งไม่ได้ทุกข์ก็สั่งไม่ได้สงบก็สั่งไม่ได้ฟุ้งซ่านก็สั่งไม่ได้เนี่ยดูเข้าไปให้เห็นความจริงอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการดูจิตให้เกิดปัญญานะดูจิตให้เกิดปัญญาที่จริงแล้วการดูจิตนะ่ะมันครอบคลุมการปฏิบัติธรรมจํานวนมหาศาลเอาไว้เลยนะถ้าเราพาว น, น, น, นาจนชนะํานี้ชํานาญเราพบว่าแค่ดูจิตอันเดียวได้ครบเลยนะดูจิตให้เกิดศีลก็ได้ ดูจิตให้เกิดสมาธิก็ได้ดูจิตให้เกิดปัญญาก็ได้ทำได้หมดเลยทุกอย่างเลยโดยเฉพาะการดูจิตทำให้เกิดปัญญานี่สะดวกมากเพราะใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาให้ดูจิตให้มีสีดูจิตให้มีสมาธิข็อทำได้นะขั้นแรกก็ฝึกก่อนฝึกรู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆจิตเป็นยังไงก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้รหัดรู้บ่อยๆการที่เราหัดรู้สภาวะของจิตบ่อยๆนะต่อไปสติจะเกิดขึ้นเอง เช่นเราเดี๋ยวใจก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเราคอยรู้สึกอยู่ถ้าเราชี้โมโหนะการดูจิตดูใจไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกตัวไหนเด่นดูตัวนั้นอ่ะคนขี้โมโหนะเราก็ดูเดียเด๋ยวจิตโมโหเดี๋ยวจิตหายโมโหนะั้นดูแค่นี้แหละต่อไปจิตมันจําสภาวะที่โมโหได้แม่นเพราะมันเห็นจิตที่โมโหบ่อยๆพอมันโมโหปุ๊บขึ้นมานะสติมันรู้ทันเลยอุย้ยโกรธอีกแล้วหรือขัดใจอีกแล้ะจะรู้ขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาจะรู้ตัวนี้เรียกว่าสติเกิดนะ สติเป็นของสําคัญที่สุดเลยสําคัญมากเกิดว่าสําคัญที่สุดมันก็เกินไปนะของสําคัญมีเยอะแยะสติก็สําคัญสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสําคัญทั้งนั้นแหละแต่สําคัญคนละแบบหลวงพ่อนอกจากเรียนจากหลวงปู่ดุลแลยังเรียนจากนะครูบาอาจารย์อื่นๆ อ, อ, อีก 30- 40ิบสีงนะตอนนั้นพอหลวงปู่ให้ความมั่นใจแล้วว่าไม่พลาดแล้วนะก็ไปเรียนจากครูบาอาจารย์อื่นด้วยอย่างค่ะหลวงปู่เทพก็เข้าไป หลวงพ่อเทศสอนเลยสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนี่ท่านสอนอย่างนี้เลยเนี่ยหลพ่อหัดดูจิตดูใจนะใจมันเคลื่อนเรารู้สึกใจมันเคลื่อนเรารู้สึกนะแต่ไปใจมันเคลื่อนปุ๊บสติเกิดเองไม่ได้เจตนารู้สึกมันรู้สึกขึ้นเองมันจะตื่นเหมือนเราเปิดสวิตตัวเองปุ๊บขึ้นมานะมันรู้สึกตัวขึ้นมาเลยเนีจิตมันมีสติขึ้นมาถ้าถ้าเราดูจิตเคลื่อนไม่ถนัดนะเราดูจิตโกรธได้แล้วก็ดูจิตโกรธจิตโกรธขึ้นมาก็รู้ จิตหายโกอธก็รู้ดูอย่างนี้ยแต่ไปจิตโกรธปุ๊บมันจะรู้โดยไม่ได้เจตนารู้นะั่เรียกวสติตัวจริงมันเกิดหรือคนไหนขี้โลคเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเจอโน่งก็อยากเจอนี่ก็อยากนะเห็นอันนี้ก็อยากได้ยินเรื่องนี้ก็อยากคิดเรื่องนี้ก็อยากค่อยรู้ทันใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันใจมีความอยากให้มารู้ทันความอยากให้ไปรู้ทันรู้มันแค่นี้ไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกนะคนคนหนึ่งนะเรียนกรรมฐานนะไม่ได้เรียนอะไรมากหรอก กรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งแนละ้วนิดเดียวเองงั้นขี้โกรธก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายขี้โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายหัดดูเรื่อยๆต่อไปพอมันโกรธหรือมันโลภเนี่ยไม่เจตนาจะรู้ก็จะรู้อันนี้เรียกว่ามีสติสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําสภาวะได้แม่นพ่อพาจิตให้ให้ดูสภาวะบ่อยๆก็แค่นี้เองพอได้สติแล้วเราจะไปใช้อะไรเดียนะอย่างที่หลวงพ่อหัดนะ อย่างจุดหนึ่งหลวงพ่อไม่ได้ไปดูจิตโลภจิตโกรธแล้วล่ะมันหยาบหลวงพ่อเห็นจิตมันเคลื่อนคลิกคลิกคลิกคลิกแค่นี้เองนะจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยคือจิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหะมันละเอียดกว่าจิตโกรธจิตโลภนะจิตโกรธนี่หยาบที่สุดจิตโลภรองลงมาจิตหลงเนี่ยละเอียดที่สุดขยับตัวคลิกคลิกคลิกรู้อยู่อย่างนี้ต่อไปพอจิตขยับปั๊บนะสติระลึกเองเลยอัตโนมัติพอสติระลึกปั๊บ อกุศลใดๆที่กําลังมีอยู่จะดับอัตโนมัติเลยเมื่อไร่ที่สติเกิดเมื่อนั้นอากุศลดับเองไม่ต้องไปดับมันนะงั้นถ้าเมื่อไหรเรารู้ว่าโกรธเมื่อนั้นอ่ะจะไม่โกรธไม่ต้องไปหาทางว่าทำยังไงจะไม่โกรธความโกรธไม่มีหรอกในขณะที่สติเกิดแต่ทําไมเราโกรธไปรู้ไปเรารู้ไม่จริงนะเรารู้ไม่จริงเรารู้นิดหนึ่งแล้วก็แอบไคิดในอาคาดพยาบาทต่อไปนะเดี๋ย ว, วก็โกรธใหมนะ่ความโกรธก็เกิดขึ้นเป็นช็อตๆนะ ให้เราดูไม่เป็นเราก็เลยนึกว่าความโกรธไม่ขาดสักทีที่จริงขณะที่รู้ไม่โกรธขณะที่โกรธไม่รู้มันสลับกันอย่างรวดเร็วนะงั้นถ้าดูเป็นนะหเห็นคลิกพลิกพลกเหมือนกันหมดนะหลงแล้วรู้สึกหลงแล้วรู้สึกหลงแล้วรู้สึกแค่นี้ก็ได้นะโกรธแล้วรู้สึกโกรธแล้วรู้สึกแค่นี้ก็ได้นะโลภแล้วรู้สึกแค่นี้ก็ได้หรือสุกทุกข์แล้วรู้สึกแค่นี้ก็ได้นะต่อไปสติอัตอนโนมัติมันเกิดหมายถึงว่าพอสภาวะเกิดนะ เราจะรู้สึกตัวเหมือนเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาข้างในใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเลยนะฉับพลันขึ้นมาเลยอย่างนี้เรียกว่าฝึกหัดดูจิต ด, ดูใจตัวเองนะเพื่อให้มีสติต่อไปเราก็อาศัยสตินี่เป็นเครื่องมือพัฒนาให้เกิดศีลควรทาผิดศีลเพราะกิเลสครอบงาจิตถ้ากิเลสไม่ครอบงาจิตคนจะไม่ทาผิดศีลควรเราไปฆ่าเขา ไปตีเขาไปทําร้ายทรัพย์สินเขาไปผิดลูกผิดเมียเขาไปด่าว่าเขาเนี่ยเพราะอะไร่เพราะกิเลสใช่ไหมถ้าไม่โกรธจะไปทําร้ายเขาไหมถ้าไม่โลภจะไปทําร้ายเขาไหมก็ไม่ทํำถ้าไม่โกรธจะไปขโมยเขาไหมถ้าไม่โลภจะไปขโมยเขาไหมพรวกเรานึกว่าขโมยนี้ต้องโลภอย่างเดียวใช่ไหมบางคนมันโกรธมันก็แกล้งไปขโมยทรัพย์สินเขานะไปขโมยเพราะว่าโกรธเขา ยื้อไปผิดลูกผิดเมียเขาเนี่ยไม่ใช่เพราะโลภอย่างเดียวนะบางคนมันโกรธไอ้คนนี้เราเกลียดมันนะแกล้งหลอกลูกสาวมันใช่ไหมทำผิดศีลผิดธรรมหรือบางทีเราไปด่าเค้าเนี่ยด่าเขาเพราะโกรธก็ได้ด่าเขาเพราะโลภก็ได้นะหรือไปชมเขาชมเขาแบบผิดความจริงก็มูส่าเหมือนกันนะไปยุๆยุยยาให้เขาเหลิงนะอย่างเห็นนักการเมืองก็เข้าไปกลาบโอ้เห็นรัศมีของใต้เท้า ได้เท้ารัศมีดีต่อไปได้เป็นนายกอะไรเงี้ยอย่างเนี้ยมูสานะมุสาทําอะไรอ่ะอยากประจบเขาเพราะว่าโลภนะหรือว่าเกลียดเขาแกล้งไปชมเขาให้มันเหลืงมันได้เสียผู้เสียคนใช่ไหมงั้นคนทําผิดศีลนะเพราะกิเลสงั้นถ้าเราสติเราดีกิเลสเกิดปุ๊บเรารู้กิเลสเกิดปุ๊บเรารู้กิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้แล้วมันจะไม่ผิดศีลนอะัตโนมัตินะเนี่ยเรียกว่าเรามีสติตัวเดียวนะ เราได้ศีลมาด้วยนะไม่ผิดศีลเรามีสติเราก็เกิดสมาธิได้ศัตรูของสมาธิเรียกว่านิวรณนะ์นิวรณ์นี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นความฟุ้งซ่านฟุ้งไปแล้วพอใจเรียกว่ากรามะฉันทะนิวรณ์ฟุ้งไปด้วยความไม่พอใจเรียกว่าพยาปาทานิวรณ์พยาบาทนะฟุ้งสเปสปาเรียกว่าอุทัดจะฟุ้งไปแล้วําคาญเรียกว่ากุกกุจจนะอย่างเงี้ยฟุ้งไปแล้วคิดมากสงสัยนะเป็นวิจิกิจฉา ฟุ้งมากก็หมดเรื่องหมดแรงซึมไปเลยนะเป็นทีน้ำมิทธะสนใจให้นิวรณ์หตัวนะหตัวนี่ถ้าหลวงพอสังเกตนเนี่ป็นเรื่องความฟุ้งของจิตทั้งนั้นเลยนะเรื่องฟุ้งไป็คนละแบบถ้าเมื่อไหรจิตฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันนี่วร์ดับเมื่อไหร่นิวร์ดับสมาธิเกิดเพราะว่านิวร์ น, น่ะเป็นศัตรูของสมาธิถ้าไม่มีนิวร์สมาธิมีอยู่แล้วจิตทุกดวงนะในความจริงจิตทุกทุกดวงมีสมาธิอยู่แล้ว แต่ว่ามันโดนกิเลสครอบไปงั้นเราคอยรู้ทั น, นถ้าใจเราฟุ้งซ่านเรารู้อย่างที่หลวงพ่อหัดดูนะหลวงพ่อหัดดูใจขยับไหลคลิกเราสึกคลิกเราสึ ก, ก, ก, ก, กอันนี้แหละคือตัวฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นตรงที่หลวงพ่อเห็นว่าใจขยับเรารู้สึกเนี้ยได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิเลยนะเพราะใจมันจะตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูโดยที่ไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้พยายามที่จะรักษาจิตให้เป็นผู้รู้นะมันเป็นของมันเองถ้ามันเป็นของมันเองใช้ได้นะ แต่ถ้าจงใจรักษาให้เป็นนะีใช้ไม่ไดนะ้เข้าใจผิดแล้วอยู่นิ่ ง, งๆว่างๆไปเสืีอท่ามันแล้วดูจิตไงให้เกิดปัญญาดูจิตให้เกิดปัญญาปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์นะถ้าเราดูจิตดูใจเราก็เห็นนะมีสุขก็ชั่วคราวมีทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวโลภโกรดหลงก็ชั่วคราวอย่างหลวงพ่อเห็นใจนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดหลายคลิกนะไปเป็นผู้คิดมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาเห็นสลับไปสลับมา จิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงนี่คือปัญญานะแค่นี้ก็ปัญญาแล้วจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไม่ได้จิตคิดก็ห้ามไม่ได้นี่คือเห็นอนัตตานะถ้าเห็นว่ามันเกิดแล้วหายไปนะัเรียกว่าเห็นอนิจจังเั้นเวลาที่ดูจิตดูใจนะถ้าดูเป็นอนะได้ทั้งสติได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเพรา้นคำสอนของหลวงปู่ดูลนะปราณีตลึกซึ้งมากเลยนะ ถ้าทำได้อันเดียวเนี่ยนะได้ธรรมะครอบคลุมทั้งหมดเลยท่านเคยสอนหลวงพ่อนะว่าธรรมะ8ป0 0 0พระธรรมขันธ์เนี่ยออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ทันั้นเองออกมาจากจิ ต, ตทั้งนั้นเลยธรรมะที่เป็นกุศลก็เกิด ท, ที่จิตธรรมะอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตงั้นถ้าเรารู้จิตตัวเดียวนะรู้เท่าทันฉลาดในจิตเนี่ยเราจะได้ครบเลยจิตเป็นอกุศลเราก็รู้อกุศลเกิดขึ้นเราก็รู้อกุศลดับไปเราก็รู้ อกุศลจะเกิดอกุศลจะดับเราสั่งไม่ได้นี่ยก็เป็นปัญญาหนะัดรู้ไปสุขทุกข์จะเกิด ก, ก็ไม่เที่ยงสุข ก, ก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงสั่งให้สุขตลอดก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นี่เป็นอนัตตาเวลาที่เราดูจิตเนี่ยไตรลักษณ์ที่โดดเด่ น, นคืออนิจจงอนัตตานะถ้าดูกายเนี่ยเห็นทุกขังอนัตตาได้ง่ายนะดูกายเนี่ยเห็นทุกข์ง่ายนะ ก็กายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ด้วยแต่ดูกายให้มันไม่เที่ยงดูยากกว่าลองดูกายให้เป็นทุกข์สิง่ายๆเราหายใจเข้าเอาเข้าให้ยาวยาวที่สุดเลยดูสิว่าทุกข์มากแค่ไหนเห็นไหมหายใจเราทุกข์ไหมพอหายใจเข้ามากๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็ทุกข์อีกก็ต้องหายใจเข้าเนี่ยถ้าเรามีสติเราลึกอยู่ในกายนะมันทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดกายนี้เป็นตัวทุกข์ เนี่ยเราเห็นตัวจทุกข์ง่ายนะมันถูกบีบคั้นกายนี้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้จเจริญปัญญาดูกายกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุนะกินอาหารเข้าไปเราก็ขับถ่ายนะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะแล้วก็เป็นทุกข์ต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องหายใจเข้าต้องหายใจออกก็เพราะว่าหนีทุกข์ความทุกข์มันตามบีบคั้นนั่งนานๆก็ทุกข์ใช่ไหมต้องเปลี่ยนอิริยาบถ เดินนานๆก็ทุกต้องเปลี่ยนอิริยบถนอนนานๆก็ทุกต้องเปลี่ยนอิริยาบถนี่มันต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันทุกข์งั้นถ้าเรามีสติแล้วเราคอยเรียนรู้อยู่ที่กายจะเห็นทุกขังอนัตตาง่ายถ้าดูจิตดูใจจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายงั้นใครเคยทําวัดเช้าใครสวดทำวัดบ้างมีไหมจะ บ, บทนี้ได้ไหมรูปฟังอนิจจังเวทนานิจจาแล้วอะไร อาว่าเฟสสิ <c oughs> สัญญาอนิจจาสิไม่ใช่สัญญาอะไรก็ <c oughs> นะจนถึงเอวิญญาณังอนิจจังแล้วขึ้นรูปังอนัตตาเลยเห็นไหมมีรูรูปังอนิจจังใช่ไหมจนถึงวิญญาณัง อ, อนิจจังเสร็จแล้วมันจะต่อรูปังอนัตตาเลยไม่มีรูปังทุกขังสังเกตไหมถ้าไม ท่านแจกแจงขันห้าไว้ด้วยอนิจจังอนัตตาเพราะว่าขันห้าเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เหมาะกับพวกดูจิตถ้าหากพวกดูจิตเนี่ยนะแยกรูปนามออกมาเนี่ยจะแยกเป็นขันห้าจะแยกได้เยอะเพราะอะไรพวกถนัดดูจิตคือหัดดูนมามธรรมเนี่ยขันห้าเนี่ยมีรูปเพียงหนึ่งเท่านั้นนะอีกสเนี่ยเป็นนมามธรรมแต่ถ้าเป็นพวกถนัดดู ก, กายนะพวกพ่านเจ้าท่านจะสอนอายตนะห จะแยกสิ่งที่เรื่องว่าตัวเราเป็นอายตนา6ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของรูปธรรมเ ใ, ใจอันเดียวเป็นนามธรรมงั้นเวลาสอนเรื่องขัน5เนี่ยส่วนใหญ่จะสอนพวกที่ถนัดดูจิตนะงั้นการดูจิตเนี่ยมันจะสะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าดูอนิจจังอนัตตาสองตัวนี้จะเด่นดูจิตให้เป็นทุกขังนี่ยากมากเลยนะยกเป็นอย่างหนึ่งนะถ้าเราทรงฌานจริงๆเราทรงฌานเนี่ยคนที่ทรงฌานเนี่ย มันจะไม่เห็นหรอกนะว่าจิตเป็นตัวทุกข์ไม่จะเห็นว่าจิตเป็นตัวบรล ม, มัสุขจิตตัวรู้เนี่ยเป็นตัวบรล ม, มัสุขแต่ว่าพอภาวนาจนแก่รอบแนละ้วปัญญามันปิ้งขึ้นมานะมันเกิดรู้ขึ้นมาว่าจิตเป็นตัวทุกข์พอรู้ว่าจิตเป็นตัวทุกข์เนะี่ยมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปมันจะวางจิตจะปล่อยวางจิตเพราะฉะนั้นพวกที่ทรงสมาธิมากๆนะเวลาจะแตกหักเนี่ยจะเห็นทุกข์ พวกที่ปัญญาแก่กล้าเนี่ยจะเห็นอนัตตาแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันเราเลือกไม่ได้อะว่าเราจะหลุดพ้นเพราะเห็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตานะถึงเวลาแล้วจิตเลือกของจิตเองหน้าที่เรามีสติระลึกไประลึกรู้กายได้มากก็รู้กายไประลึกรู้จิตได้ชัดก็รู้จิตไปถ้าใครทางมันไม่มีวิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าต้องฝึกให้มีสตินะแต่ที่หลวงปู่สอนเนี่ยท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตหลวงปู่โดนสอนทุกรูปแบบ บางท่านหลวงปู่ดุลสอนให้ดูกายนะอย่าไปเข้าใจผิดว่าหลวงปู่ดุลสอนดูจิตอย่างเดียวอันนั้นเข้าใจผิดแล้วหลวงปู่ดุลสอนตามจริยนิสัยของลูกศิษย์ลูกศิษย์ดูกายท่านก็ดูกายให้ดูกายไปก่อนนะดูกายเพื่ออะไรดูกายเพื่อวันหนึ่งเห็นจิตดูจิตเพื่อจะได้เห็นธรรมนะแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันทางใครทางมันนะนี่ก็มีลูกศิษย์หลวงปู่ดุลท่านอาจารย์พัฒนาเนี่ยหลวงพ่ารู้จักท่านหลาย10ปีแล้ว แม้แต่ท่านอย่างอ้ออนะตอนนี้ท่านก็อายุเยอะหลวงพ่อก็เยอะถ้อย่างนี้จะเป็นพยานได้หลวงปูดด่ดูลไม่ได้สอนดูจิตอย่างเดียวจะได้ยินว่าสอนองค์นี้อย่างนี้สอนองค์นี้อย่างนี้และครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วที่จะรู้ว่าเราควรจะเรียนอะไรเราต้องสังเกตตัวเราเองงั้นเราหลักที่หลวงพ่อสอนนะไปฝึกก่อนฝึกสติให้ได้ก่อนถ้าถนัดดูจิตดูใจก็ดูจิตมันทํางานไปเรื่อย แล้วสติสมาธิอะไรปัญญาอะไรมันจะเกิดมาเป็นลําดับลําดับถ้าถนัดรู้สึกกายก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเพ็งคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเพ็งคนดูคอยรู้สึกอย่าให้ใจมันหลงไปอย่าให้มันลืมแล้วก็อย่าไปเพ่งอยู่ที่กายอย่าไปจ้องอยู่ที่ร่างกายนะส่วนใหญ่พวกที่ดูไกน่นี่เพ่งกายร้อยเกือบร้อยละร้อยแหละอันนี้พูดแบบสุภาพไนงะใจจริงใหญ่จะพูดว่าร้อยละร้อยนะดูไายก็จ้องไก่ ถ้าดูลมหายใจก็จ้องอยู่ที่ลมหายใจ mm. ถ้าขยับมือจ้องอยู่ที่มือ mm. จ้องถ้าดูท้องนะพี่จ้องอยู่ที่ท้องไอ้เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้กลิ่นหรอกอย่างนี้เพ่ง ไ, ได้แต่ความสงบเฉยๆนะไม่ได้เรื่องอะไรเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปรู้สึกไปนะต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวหรือร่างกายหายใจจะรู้โดยไม่ต้องรู้สึกสติมันเกิด แล้วก็ดูไปร่างกายมันทํางานใจเป็นคนดูจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นตัวอะไรร่างกายเป็นตัวทุกร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุจะดูอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาถ้าดูจิต ด, ดูใจก็เห็นของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงดูไปสุขทุกข์ดีชั่วก็สั่งไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตาดูเห็นให้เห็นใจ ร, รักเนี่ยอันไหนก็ได้ ้อยู่ที่ฝึกนะถ้าฝึกมากพอแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดอย่างคนคี้โมโหนะมันก็เห็นนะจิตกโกรธแล้วหายโกรธแล้วหายเห็นอยู่แค่นี้คนที่ขี้โลบก็เห็นจิตโลบแล้วหายคนที่ดูจิตชนานาญหน่อยนะจิตขยับไว้ตัวก็เห็นไว้ตัวก็เห็นก็เห็นเกิดดับนะแต่ว่าเวลาที่ปัญญาที่แท้จริงเกิดเนี่ยมันจะไม่ได้รู้ว่าความกโกรธเกิดแล้วดับ ความโลบนะเกิดระดับนะความฟุ้งซ่านเกิดระดับไม่ได้เห็นตรงนี้นะมันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับงั้นเวลาที่ความรู้รวบยอดเกิดปัญญากเกิดเนี่ยมันจะเป็นความรู้รวบยอดไม่ใช่ว่าสิ่งเดียวเกิดแล้วสิ่งนั้นดับมันจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดที่มาดับทั้งสิ้นเลยจะเห็นอย่างนี้นะมันจะรู้ว่ามันไม่มีตัวตนถาวรไม่มีตัวเราที่แท้จริงหรอกความเป็นตัวเป็นตนไม่มีจริงหรอกเมื่อมันไม่มีตัวตนแล้วนะใครมันทุกข์คันมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์อีกต่อไป ปัญญามแก่กล้าขึ้นจะเห็นขันนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นขันเป็นตัวทุกข์ได้ก็เรียกว่ารู้ทุกขสัตย์เคยได้ยินอริยสัจสี่ไหมทุกขสัตย์เนี่ยก็คือรู้ว่ารูปนามขันห้านี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่รู้ว่าร่างกายเป็นทุกข์ความสุขเป็นทุกข์ความทุกข์เป็นทุกข์ความดีเป็นทุกข์ความเชื่อเป็นทุกข์นะไม่ใช่รู้สึกแค่นั้นหรอกนี่จะรู้เลยว่าความปรุงแต่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงบังคับไม่ได้ไม่มีตัวเราไม่ใช่ตัวเรานะถ้าปัญญาแจกระละจริงๆ จ, จ, จะรู้เลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะขันห้านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปถ้าเห็นตรงนี้ได้จิตจะทิ้งขันนะจิตจะวางขันได้จิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์นะหลวงปู่ดุลท่านเรียกว่าพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าในความหมายของหลวงปู่ดุลนคือพระอรหรันต ท่านบอกพระอริยะเจ้ามีจิตไม่ออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมบั่นไหวนะไม่ไ ม, ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้นะมีสติอัตโนมัติอยู่หลวงพ่อเคยถามหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนนึกว่าถ้าจะบอกจิตอยู่ที่กลางหน้าอกเห็นมันกระยุกกรยึกอยู่กลางหน้าอกหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งหลวงปู่โดนนะเวลาสอนหน้าโหดมากเลยเราถามกอกไก่นะตอบหอนกูกเลย แล้วให้เราไปค้นตั้งนานหลายๆปีนะต้องอดทนมากนะต้องศึกษามากต้องเอาจริงถึงเอาตัวรอดได้ไม่เอาจริงเอาตัวไม่รอดหรอกนะหลวงพ่อมาดูพวกเรายุคนี้อินทรีย อ, อนไม่เหมือนคนรุ่นก่อนนะอินทรีย์แข็งกว่าพวกเรานะอย่างเมื่อก่อนที่สุรินทร์เนี่ยมีแม่ค้าขายผักก็มีนะภาวนาเก่งๆมีแม่ค้าขายผักชื่อใหญ่สะเกียวตเนี้ยนั่งขายผักอยู่ในตลาดเนี่ยนะ ขายผักน้ำผักเหีย่ยวยัยคนนี้หน้าใสผักน้าเหี่ยวไปหมดแล้วขายไม่มีคนซื้อยังคนนี้ก็ยังหน้าใสว่าภาวนาดีจริงๆบางคนขี่สามอ้อพภาวนาเก่งนะเราดูถูกไม่ได้เลยเพราะฉนั้นต้องพยายามศึกษานะปฏิบัติหลวงพ่อนะกลัวพวกเราสู้ไม่ไหวบอกสารละเอียดยิบเลยบอกรายละเอียดยิบบางคนมันก็ภาวนาต่อ รู้สึมีกำลังใจบางคนอ้รู้หมดแล้วหลวงพ่อบอกหมดแล้วไอ้พวกนี้ไม่ได้กลิ่นออกนะต้องไปดูของจริงด้วยตัวของตัวเองนะไม่งั้นแล้วก็ต้องจมอยู่ในความทุกข์เรื่อยๆไปถ้าอยากได้ของดีอยากได้ของพิเศษก็ต้องขยนันขยันดูเอาเองนะอย่าไปแทรกแซงรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าไปแทรกแซงจนกระทั่งเห็นความจริงของมันถ้าเห็นความจริงได้ใจก็ขเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ทุกวันนี้โอ้โหเลิศเถินะว่าดูจิตดูจิตนมันไปเพ่งจิตกันมันผิดผิดได้เยอะนะที่ว่าดูจิตนะหลวงพ่อก็เคยผิดผิดหลายทีนะคราวหนึ่งเห็นกิเลสนะเราดูกิเลสนะกิเลสมันหนีมันเคลื่อนออกไปอยู่ข้างหน้านะอย่งความขัดใจมันเคลื่อนไปอยู่ข้างน้นมันดับวับลงไปเรานึกว่าเราดูจิตอยู่นะเพราะเราดูกิเลสอยู่กิเลสดับวับเลยเราไม่ได้สังเกตเลยว่าจิตเคลื่อนออกไปอยู่ข้างนอกแล้ว นี่จะทงอย่างเงี้ยว่างว่างนะสบายอยู่เป็นปีเลยตอนนั้นหลวงปู่ดุลก็ไม่อยู่แล้วถ้าอยู่แล้วท่านคงเคาะให้ทีเดียวเขหลุดติดอยู่เป็นปีไม่เจอหลวงตามหาบัวไปถามท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ผมสังเกตว่าหมู่นี้ไม่พัฒนาเลยทําไมมันไม่พัฒนาท่านก็หันขวับมาใส่เลยนะบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วอะไรเงี้ยเห็นไหม ดูจิตก็ผิดง่ายนะมีที่ผิดเยอะแยะเลยไม่ใช่พูดเกันชุ่ยๆหรอกเป็นงานที่ประนีตมากอะไรจะประนีตเท่าจิตนะแต่ว่าถ้าตัดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะมันก็เร็วถ้าเข้ามาตัวนี้ไม่ได้ก็ไต่ต้ามาเป็นลําดับลําดับไปทำอะไรไม่ได้ทําความสงบไว้ก่อนนะเพ อ, ม, เอมีแรงถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายเนะพราะอะไรกายเป็นบ้านของจิตดูกายไปชักช่วงหนึ่งก็จะเห็นจิตหลวงปู่เคยสอนนะ ดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมท้าว่างี้นะทําไมต้องเห็นธรรมทาไมธรรมาอยู่ที่จิตอกุศลก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมอากุศลธรรมใช่ไหมโลกุตรธรรมอยู่ที่จิตเท่านั้นเลยนี่ท่านสอนยกเป็นอะไรยกเป็นรูปธรรมนะรูปธรรมคือตัวกายใช่ไหมไม่ได้อยู่ที่จิตแต่ร่างกายเคลื่อนไหวได้เพราะอะไรเพราะจิตสั่งนะสั่งได้บ้างสั่งไม้ได้บ้าง งันได้จิตอันเดียวก็ได้ได้เยอะเลยไปค่อยๆเรียนเอานะถ้าฟังหลวงพ่อเทศทีเดียวไม่รู้เรื่องก็อย่าตกใจมีซีดีแจกเสมอไปที่ไหนก็แจกนะถ้าใครรู้สึกว่ารอซีดีแล้วช้าไปดาวน์โหลดเอามีเนี่หลวงพ่อไปไหนมาไหนก็มีพักพวกตามไปถ่ายเอาไปลง y o u t u นะไปดูเอานะคนที่อื่นนะประเทศอื่นเขาก็ฟังกันนะ คนในเมืองนอกเมืองหนาเขาฟังเขาก็ภาวนาเป็นเยอะเลยเดี๋ยวนี้คนต่างประเทศ้ามาเรียนนะเริ่มภาวนาเป็นนะหลวงพ่อพยายามหนุนหนุนให้พักพวกที่เขารู้ภาษาต่างประเทศช่วยแปลแปร แ, แล้วเขาก็ไปอ่านกันนะไปฟังกันหนละวาพ่อนาเป็นพวกเราคนไทยพูดเราไม่ต้องมีใครแปรนะพูดภาษาคนแท้ๆเลยนะ ไ ม, ไม่ได้ต้องแปลนะ ไ, ไปเพราะนานนะใครชี้เกียรติก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วนะไปซัวไปท่านี้พอแล้วดึกเดี๋ยวพวกที่มาไกลๆอย่าลำบากนะเอาใครจะส่งกันบ้านว่ามากล่าวนมัสการหลวงพ่อคะอ่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อเมตตาให้หนูหนูมีอาการที่บีบคันตรงกลาง อ, อกอะคะ่ะแล้ว หลวงพ่อให้หนูไปดูโทสะที่เกิดขึนแล้วไม่เป็นกลางเห็ น, ห น, หนูก็เห็นค่ะเห็นเยอะมาเลยค่ะมันก็มันก็คลายได้แต่ว่ามันจะมันจะได้ไม่ไม่ทุกครั้งอะคะ่ะเราไม่ได้ฝึกคลายเราฝึกให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้ะเราฝึกให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงค่ะแล้วพอฝึกไปก็จะเห็นว่ามันมันก็ยังทุกข์ของมันอยู่อะคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่เราไม่ไมอิน ราคาใช่ค่ะเราเราอินกับมันน้อยลงค่ะนั่นแหละที่เราภาวนากันแทบเป็นแทบตายนะไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้ขันที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ขันที่เป็นทุกข์มันเป็นสุขนะไม่ใช่ภาวนาเพื่อให้ขันที่บังคับไม่ได้นั้นบังคับได้แต่เราภาวนาจนกระทั้งใจเราเป็นกลางกับมันใจเป็นกลางกับมันนี่มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีจะชั่วเนี่ยจิตจะไม่กระเพื่อมบัณยไหวนะจิตจะมีความสงบมีความสุขอยู่ในตัวของตัวเอง เมื่อก่อนเห็นแต่ความบีบค่ะที่เป็นแล้วเป็นทุกข์แต่ตอนนี้หนูหนูรู้สึกว่ามันมันรุนแรงขึ้นจนมันกลายเป็นเหมือนเหมือนกับจะระเบิดออกมาเหมือนกับเราเจะ อ, อยากตะโกนเหมือนมันเหมือนโทสะแรงๆแต่ว่าหนูก็ดูไปตามที่หลวงพ่อเคยสอนนะค ะ, จะเจริญเมตตาไว้บ้างก็ได้บางทีเราพอนา น, นะสมาธิเราไม่พอพลังชั่วร้ายพวกมารพวกอะไรมันก็แทรกกระตุ้นบิ้วโทสะเรากระตุ้นแกล้งอย่างนั้นก็มีนะ โดยที่ไม่มีสาเหตุมีสิเราต้องมีเวรมีกรรมของเราล่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกที่เกิดโดยไม่มีเหตุให้เจริญเมตตาออใช่ไหมเออเจริญเมตตาไปอะไรไปนะเพราะว่าหนูขี้โมโ ห, ห, มโหเราขี้โมโหเนี่ยเราเจริญเมตตาบ่อยๆใจเรามีสมาธิใจเราร่มเย็นเป็นสุขนะใจมันสบายแล้วก็ดูธาตุดูขันมันทํางานต่อไปดูไอ้ตัวเนี้ยหมุนไปด้วย เวลาที่เราเห็นวัตตะหมุนขึ้นกลางอกแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถทําสมาธิได้เนี่ยจะทุกข์แทบตายเลยทุกข์เหมือนโลกจะระเบิดเลยนะเออเพราะ อ, อะไรเพราะไม่มีที่พักรู้สึกไหมถ้าตรงนี้ทุกจิตทุกเสี้ที่เดียวโลกธาตุนี้มันจะไม่มีที่ให้สู่อีกแล้วนะใช่ค่ะเนี่ยที่หลวงตามหาบัวเคยบอกว่าถ้าพระองไหนภาวนาจะเห็นวัตตามันหมุนขึ้นมาท่านไล่ออกป่าไปเลยให้ภาวนาเอาเป็นเอาตายไปเลยนะ นี่ของเราไปไหนไม่ได้นี่ผู้หญิงนะห้ามสเปรย์สปาอันตรายมากเลยนะเราก็ภาวนาของเรา น, นี่แหละแต่ว่าพอมันทุกข์มากๆเนี่ยทาความสงบมั่งให้ใจได้พักจเจริญเมตตาไปส่วนมากหนูจะทําความสงบไม่ค่อยลงนะคะนั่นแหละอย่าไปคิดเลื่องสงบให้จเจริญเมตตาไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆเรนะาบริกรรมไปโดยไม่ได้หวังจะสงบมันจะสงบง่ายเคล็ดลับของการทําสมาธอย่าไปบังคับจิต น้อจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขน้อมไปอย่างสบายๆแป๊บเดียวก็สงบนะตอนที่ตอนที่ตอนที่พยายามบริกรรมอะค่ะมันก็จะเห็นใจที่ฟุ้งไปเผลอไปอะอย่างนั้นจเจริญปัญญาอีกไม่ได้พักค่ะใช่ค่ะรู้สึกว่าไม่ได้พักไม่ได้พักหรอกถ้าเห็นอย่างนั้นก็เวลาจเจริญปัญญาทาอย่างนั้นแหละบริกรรมแล้วรู้ทันจิตนะอย่างนั้นแหละถูกแต่ถ้าจะพักเนี่ยนะบังคับมาเลยน้อมมันไม่เอา ตอนนี้ไม่เอาปัญญาปัญญามากไปแล้วตอนนี้จะเอาความสงบนะก็ดูใจที่เราร้อนไปแผ่เมตตาลงไปที่ใจของเราเองเนี่ยให้แผ่ให้ตัวเองใช่ไม่ใช่แผ่ให้คนอื่นจะแผ่ของเราเองก่อนอีตัวนี้มันร้อนมากแล้วแผ่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะก็มีอีกคําถามค่ะหลวงพ่อหนูฝึกแบบหลวงพ่อเวลาที่ที่หายใจอะคะคือดูร่างกายหายใจเวลาจงกรมก็ดูดูร่างกายที่เดิน คราวนี้พอในเวลาปกติที่ทําอะไรแบบไม่มันก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็จะเห็นกายมันแยกออกไปแล้วหลังจากที่ไกาออกไปให้หนูดูเฉยๆหรือว่าให้หนูเจริญให้หนูพิจารณาคะถ้าขันมันแยกแล้วนะแล้ว เ, เห็นไหมว่ากายไม่ใช่เราเห็นค่ะเออถ้าเห็นว่ากายก็ทํางานไปใจก็เป็นคนดูไปอย่างนี้เจริญปัญญาอยู่แล้วนะไม่ต้องคิดต่อนะอแต่ถ้ามันไปรู้สึกตัวเฉยๆร่างกายเคลื่อนไหวใจก็เฉยรู้สึกอยู่เฉย อย่างนีนะ้ต้องคิดพิจารณากระตุ้นให้จิตเดินปัญญามันรู้อยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาแต่ถ้ามันรู้จักมองร่างกายรู้จักมองจิตในมุมของไตรลักษณนะอย่างนี้เรียกว่ามันเดินปัญญาอยู่หนูหนูเดินปัญญามากเกินไปหรือเปล่าใช่หลวงพ่อถึงบอกให้ไปเจริญเมตต า, าจะได้ทําสมถะบ้างไม่มีสมถะเลยไม่ได้น ะ, ะพาวนาแล้วลำบากค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อคะ่ะ มัลสการครับหลวงพ่อครับบังคับจิตอยู่หรือเปล่าก็มีช่วงนี้มันจะแข็งแข็งครับเนาะมันแข็งไปก็จะมีแทรกแซงมีประคองเออแล้วก็ก็ไม่ปิดกัางเออครับรู้สี่ใจเป็นโลภครับมันแทรกแซงเพราะอยากดีครับนั่นแหละมันยากมันก็จะมีอยู่ครับเออให้รู้ทันว่าหยากครับไม่มีอะไรมากรู้ทันจิตอย่างที่จิตเป็นจิตโลภเพื่อมารู้ว่าโลบรับถ้าไม่รู้ว่าโลบนะตัวโลภเขารยกตัวตัณหานะ ตัณหาเป็นตัวสร้างภพคือทําให้จิตเนี่ยสร้างภพขึ้นมาแล้วก็จิตเกาไปติดอยู่ในภพนั้นครับพอไปจิตมีความโลภอยากดีมันไปสร้างภพที่นิ่งนิ่งขึ้นมาจิตไปติดอยู่ในภพที่แข็งแข็งนั้นนะ้วก็เป็นภพภพหนึ่งให้รู้ทันมาจิตโลภพอความโลภดับนะภพมันก็ดับไปด้วยมันอยู่ชั่วคราวมันก็ดับแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็ดูมันทํางานไปอีกครับนะ พออยากดีทีไรก็เข้าไปติดอีกก็รู้อีกจิตอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในตอนนี้นก็มีข้างในอะครับตอนนี้นะตอนนี้นนมันนีจิตหนีไปคิดคเออเนี่ยจิตฟุ้งซ่านนะจิตนี้ไปคิดก็เรียกจิตด อ, อกนอกับถราอะไรมันไปอยู่ในเรื่องที่คิดมันเป็นอายตนะภายนอกใับใหมให้เรารู้จิตนี้ไปละ อย่างตอนนี้มารอฟังล้รู้สึกไหมเออร ต, ตรงที่รู้ว่ารอฟังนั้นน่ะจิตรู้ก็เกิดขึ้นเห็นไหมเห็นว่าจิตรู้เป็นอย่างนี้แหละแล้วมันสว่างพลุงขึ้นมาเลยนะใช่ครับไปทำต่อไปราวนาใช้ได้มาสการครับการ้มาสการหลวงพ่อคะ่ะก็ว่าไงก็ดีขึ้นคะ่ะแต่ว่าก็ตื่นเต้น ก็ตั้งใจที่จะทำต่อไปค่ะหลวงพ่ อ, <c oughs> อไม่ว่า <c oughs> ตื่นเต้นนะเลยบรรยายไม่ถูกเลยใช่ค่ะฝึกอย่างนี้นะรู้สึกร่างกายไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกบ่อยๆแค่รู้สึก <c oughs> ไม่ต้องไปดูเด อ, อะไรมันมากหรอกแค่รู้สึกหนุประคองดูออกไหมลนะ่ะ นั่นแหละมันเกิดรู้สึกไปเอ า, เอาแค่รู้สึกมันไม่ประคองไว้ลองยิ้มซิเห็นร่างกายยิ้มไหมยิ้มด้วยความรู้ด้วยความรู้สึกอทุกคนลองยิ้มซิยิ้มแล้วรู้สึกไหมตัวเองยิ้มอยู่พยักหน้าซิรู้สึกไหมพยักหน้าเนี้ยรู้สึกอ่ะแค่เนี้ยมันยากก้นหรือเปล่าส่วนมากมันไม่ยอมรู้สึกอีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้จิตมันล็อกไปมันจะรู้สึกแบบนี้ไม่ได้นะไอ้นี่เหมือนกระปอม เห <laughs> นะมือนจิ้งกา่าไปอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งยิ้มหวานๆยิ้มแล้วใจมันยังเฉยอยู่ต้องให้ใจมันคลายออกค่นะแล้วก็มันมีความตั้งใจมากค่ะมันก็เลยแต่ว่ามันโลบไปนิดนึง <c oughs> คือถ้าเราขยันภาวนาดีนะ <c oughs> เป็นเรื่องดี แต่ถ้าอยากได้ผลเร็วๆอันนี้โลภเออนั่นแหละอยากปฏิบัติเข า, าททโลภนะแต่ว่าอยากโลภไปก่อนแล้วก็ขยันปฏิบัติไปแล้วก็รู้ว่าเนี่ยมันเกินไปใจมันจะอึดอัดแล้วทำไปมันจะค่อยคลายแล้วพอดีเบื้องต้นเนี่ยให้ตึงไม่หน่อยนะถูกแล้วถ้าเบื้องต้นจะเอาพอดีมันจะหย่อนจะหย่อนเกินขอบพรคุณค่ะอ้าวนี่ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วรู้สึกป่า กลับนมรดการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะนี่เป็นครั้งที่สองเจ้าคะ่ะครั้งแรกหลวงพ่อบอกลูกว่าลูกใจรอยเก่งเออฟงซ่านเหรจา้าฟงซ่านใจรอยเก่งออทุกวันลูกจะทําตามลูกแบบนั่งภาวนาก็รู้ว่าใจลอยไปอนาคตาบ้างอดีตบ้างส่วนมากก็ที่จับได้ก็คือใจลอยมาส่งการบ้านหลวงพ่ออยู่เรื่อยเลยเจ้าค่ะให้รู้ทันอันนี้ออลูกตามรู้ถูกไหมเจ้าค่ะถูกรู้สึกไม่ใจเราเปลี่ยนไป ใชมันสว่างนะใช่มันสบายดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเจ้าค่ะว่าดีหรือไม่ดียังไม่รู้อีกเวลากิเลสอรารู้ได้ไวไหมเจ้าค่ะเนอะกิเลสมาเรารู้ได้เร็วขึ้นก็ใช้ได้เวลาทุกข์นั่นก็ทุกข์สั้นลงเจ้าค่ะนั่นแหละดีดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ขอบพระคุณเจ้าค่ะแต่วหน้ามันจะฟุ้งสั้นแล้วมันฟุ้งเก่งเจ้าค่ะนะขอบพระคุณเจ้าค่ะ หลวงพ่อมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งอยู่ให้นะไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้สําคัญนะนักปฏิบัติเนี่ยคิดว่าจะต้องดีเพราะงั้นมันจะบังคับตัวเองมากถ้าเรายอมรับได้มาไม่ดีก็ได้นะเอาแค่ไม่ให้ผิดศีลฮาในใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นคนดีเดี๋ยวก็เป็นคนร้ายก็ใช้ได้นะถ้าวางใจอย่างนี้นะแล้วนะพอนํ า, นาจะสบายขึ้น น้มัสการครับหลวงพ่อส่งการบ้านครั้งแรกครับฟังหลวงพ่อได้เกือบสองปีแล้วครับใช้ได้อ่ะรู้สึกไหมกายกระใจก็โคนล้านนะขันนั้มันแยกแล้วล่ะนี่การที่จะเจริญปัญญาต่อไปหลังจากขันแยกนะเราต้องไม่รักษาจิตถ้าเรารักษาจิตผู้รู้ไว้นะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแสดงใจรักโยเวนจิตจิตจะเที่ยงเห็นไหม รูสึกจิตเนี่ยทรงอยู่ได้อย่างนี้ทั้งวันเลยมันมันนิ่งๆเออนั่นแหละนั่นแหละที่ผิดอยู่นะเพราะอะไรเราอยากดีเรารักดีเราก็เลยรักษาจิตไว้ตลอดเวลามันเหมือนที่หลวงพ่อทําแต่ก่อนอะที่หลวงปู่ดูนบอกว่าไปทํำไม่นี่แทรกแซงจิตละจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราทํำจนจนังจิตเป็นผู้รู้อย่างเดียวเลยและเห็นแม้ว่าทุกอย่างแสดงใจรักเห็นไหมไอตัวนี้ไม่ยอบแสดงใจรักมันจะเที่ยงนะ ไปจัดการมาซะไม่ดีก็ได้เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือสัปดาห์ก่อนออประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยแล้วก็ระหว่างล้ ม, มครับก็เห็นว่ามันรักตัวเองรักมากไปนั่นแหละสติเราทันแล้วเวลาล้มรู้สึกไมมร่างกายล้มลงเป็นชดชดชมันสโล <c oughs> เออน่จะสโลนะเพราะงั้นไม่ค่อยมีอันตรายรเพราะว่าสติเราเร็วมากเลยหัวจะฟาดแล้วเราก็หลบซะหน่อยนี่เอาไหลชนแทนนะ <c oughs> มันทําได้นะใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราฝึกได้จนถึงจุดที่มันแยกขันออกมาอย่างนี้นะแล้วถ้าเวลาเกิดอุบัติเหตุนะมันจะเกิดภาพสโลให้เราดูนะที่จริงมันไม่ใช่ภาพสโลวอะไรหรอกรูปมันเกิดระดับเป็นช็อตช็อชชให้เราดูในขณะนั้นอ่ะมันเป็นเวลาที่จวนตัวแล้วสติสมาธิปัญญาเนี่มันรวมตัวมารักษาตัวเองนะมันเห็นรูปเนี่ยเกิดดับเป็นช็อตช็อตช็อตชค่อยๆลงไปจะรู้ตลอดเลย ใจก็จะเด่นดวงขึ้นมานะมันไม่มีตัวตกใจเลยนะเป็นป่าวพงครับเออนั่นแหละมันเป็นคนดูเหมือนเห็นคนอื่นล้มเลยละ่ะแต่มันยังแบบรู้สึกว่ารักกายอยู่ครับเออดีที่รู้ยังไงมันก็ต้องรักแหละไม่ใช่ผ้าหนักคาอย่างอย่างสุดท้ายครับรู้สึกว่าการกระทําอะไรก็ตามครับมันเหมือนกับมีมานะอัตตาตามตาม่อสังเกตดูเถอะทุกการกระทานะจะซ่อนซ่อนตัวเราไว้ แล้วทาเพื่อให้ตัวเราเนี่ยดูดีมันเหมือนเซิฟเออมันจะเซิฟอัตตาฉลาดที่เห็นแล้วต่อไปจะเป็นคนน่ารักมากนะเพราะคนอัตตาแรงนี่น่าเกลียดถ้าเราเห็นอย่างนี้ต่อไปแล้วมันจะอัตตาไม่แรงนะมันจะน่ารัก <c oughs> ดีขอโอกาส ค, ครับผมก็ได้ไปอ่านเรื่องเจริญเมตตาครับของหลวงพ่อสภาระที่หลวงพ่ อ, อเขียนไว้ในหนังสือเนี่ย ม, มันเหมือนเป็นมิตรเมตตาแต่คราวนี้พอผมจเจริญเมตตาเนี่ยมันจะเป็นแบบผมจะท่องสัพเพสัตตาขึ้นมาเลยอย่างผมท่องปุ๊บมันขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนได้คนละอย่างกันไหมครับหลวงพ่อเบื้องต้นภาวนาบริกรรมไปก่อนเขาไม่เป็นไรหรอกนะแต่การเจริญเมตตาเนี่ยถ้าจะให้สะดวกนะเมตตาตัวเองก่อนสงสารมันไอตัวเนี้ยรูปหัวมันซะหน่อยเหมือนรูปหัวหมา รู <c oughs> ้ะหมาน่าสงสารตัวนี้ยังชีม้มโหอยู่รู้สึกไหมอ่ารู้สึกอันั่นแหละรูปหัวมาเลยเขาบว่าไอ้ตัวนี้ยังชีม้มโหอยู่ห น, หน้าหงสารสงสารตัวเองก่อนแล้วต่อไปค่อยสงสารคนที่เราไม่ได้เกลียดนะคนที่กลางๆนะคนที่เรารักแล้วก็คนที่กลางๆแลนะขั้นสุดยอดนะแผ่เมตตาไม่มีประมาณนะ <c oughs> ั่นอยู่ๆท่องสเพสตานะใจยังไม่มีเมตตาหรอก ให้ใจมันมีเมตตาก็ต้องเมตตาตัวเองก่อนเพราะว่าเรารักตัวเองที่สุดเมตตาง่ายแล้วผมสามารถใช้อาสเพสตาทำแบบสามาธิพักขวัญได้ัหมครับได้เข้าทันสิฟุ้งซ่านไปคำ <laughs> มันยังไม่ลง <laughs> ตืง <laughs> น่นเต้นเออตื่นเ <laughs> ต้นตื่นเต้นรู้เอา <laughs> ใช้ได้อย่างนี้แหละ ใช่อย่างนี้ทําสมาธิพักผ่อนไปเลยนะครับเออนั่นแหละสมาธิพักผ่อนละอ๋อครับสบายหลวงพ่อก็ทําเป็นหลวงพ่อับขออีกเรื่องครับคือว่าเรื่องสู้กรมกรรมวิตกไม่ไหวครับเอย่าไปคิดมันเลกรรมราคะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะกรรมราคะเกิดขึ้นได้แล้วกรมรมวิตกถ้าเราไม่ไปตรึกมัน <c oughs> กรรมราคะก็ไม่แรงถ้าเราตรึกต้องแทรกแซงมันออกก่อนไหมครับ ถ้าถ้าใจมันย้อมมันจะวิ่งไปตรึกอย่างเดียวนะตรึกกลับข้างเลยพิรนาปฏิคูณาสุภาแทนที่จะไปคิดในเรื่องที่สวยที่งามนะคิดท า, ทางไม่สวยไม่งามแทนเมื่อไม่มีกามมาวิตกกรมราคะก็ไม่มีช่องจะเกิดนะถ้าเรารู้หลักตรงนี้แลไม่น่ากลัวหรอกอย่างพระนะบวชมาเนี่ยอุย้ยสู้กรรมไม่ใช่ง่ายนะยิ่งพระหนุ่มๆ น, นะแทบหัวโขกฝาเลยบางคนกลัว เครียดมากเลยภาวนาไม่ไหวเลยเครียดจัดที่จริงไม่ต้องกลัวมันอย่าไปคิดมันเท่านั้นแหละแทนที่จะพาไปคิดเรื่องสาวๆอะไรนะพาไปคิดเรื่องความตายคิดเรื่องปฏิกูลเรื่องอสุภะเนี่ยพาไปคิดอย่างนี้สิไม่มีช่องให้กรมราค้าเกิดครับไม่ต้องกลัวครับรน้อมรักษาการหลวงพ่อครับอืมครั้งที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าติดเพ่งแล้วก็ เพ่งน้อยลงแล้วละะ่ะดูออกป่าวว่าเพ่งน้อยลงรู้อย่างว่าเพ่งเป็นยังไงรู้แล้วครับเออถ้ารู้แล้วก็หายละแล้ ว, อลวตอนนี้มาฝึกร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนี้ก็ถูกถูกแล้วลใช่ไหมครับแล้วสังเกตไหมจิตที่เป็นคนดูนะก็เปลี่ยนแปลงครับผมถ้ายังมีจิตที่เป็นคนดูแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ผิดนะมันจะกลายเป็นรักษาตัวรู้ไว้เฉยๆนี้ค่อยๆ ค, อยคลายออกละ รู้สึกไหมเมื่อกี้เป็นจิตหลงไม่ใช่จิตรู้อย่างเดียวเนี่ยชักจะเข้าท่าแล้วเริ่มหลงแล้วข อ, อการบ้านเพิ่มเติมครับชี้โมโหน ะ, จะเจริญเมตตาไว้บ้างก็ดีเหมือนกันครับผมภาว น, ะนาดีขึ้นมากนะภาวนาดีขึ้นเยอะขันแยกแล้วขันแยกแล้วดูขันทำงานไม่ใช่เราเ น, น, นี่ยแหละมันจะรู้สึกไม่ไม่ใช่เรา ไรู้สึกไม่ต้องถ้าถ้ามันรู้สึกได้เนี่ยไม่ต้องคิดนำแต่ถ้ามันรู้ตัวเฉยเยเฉยๆ่อันนี้ต้องคิดพิจารณากระตุ้นให้มันดูไตรักครับผมงานนะรัสการเข้าหลวงพ่ อ, อ, อวันนี้มาส่งคนบ้านรอบปีครับยังมีช่วงเวลาแต่ละวันที่ความหม า, มายมันเลียดเบียนการปฏิบัติอยู่ฮะหลวงพ่ อ, อธรรมดานะเป็นขลรวาสได้บ้างเสียบ้างดีกว่าไม่ได้ แต่ว่าสังเกตไหมพอผ่านไปช่วงสามเดือนอะไรอย่างงี้นะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะงั้นเวลาประเมินผลการปฏิบัติเนี่ยดูรายไตรมาสสมเดือนเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนรู้สึกไหมปีนี้กับปีกลายไม่เหมือนกันนะมีความรู้สึกครับถ้าถูกแล้วแต่ช่วงท้ายๆช่วงท้ายๆมันประมาทเยอะเพิ่มขึ้นแต่ลมันมันก็เลยเครียดไประหว่างวันระหว่างวันไปเลยเออก็รู้จุดอ่อนอะไรเราก็แก้เอาสิเราเพืออย่าไปประมาท พอมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมนี่แหละแนะนำแล้วถูก <c oughs> ครับขอบพระคุณครับทําสม่ําเสมอนะทั้งๆที่เราทําสม่ําเสมอมันจะเจริญบ้างเสื่อมบ้างตัวนั้นแหละดีที่สุดเลยถ้าทําสม่ำเสมอแล้วเจริญลูกเดียวเนี่ยแสดงว่าต้องไปติดอะไรว่างๆอยู่แล้วละติดอะไรนิ่งๆแต่ถ้าภาวนาแล้วก็เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมดีนะกลับน้ำส ก, การหลวงพ่อครับผมมีโอกาสได้ไปกลับหลวงพ่อที่สวนเศรษฐธรรเมื่อปีห้าหนึ่งครับ แต่ไม่มีโอกาสได้ส่งการบ้านวันนี้จะขอหลวงพ่อเมตตาพูดถึงการปฏิบัติของผมที่เหมาะกับจิตของผมครับก็ปฏิบัติอยู่แล้วไม่ใช่หรือเห็นไหมว่ากายกับใจมันแยกกันเห็นไหมความรู้สึกกับใจก็แยกกันเราจะเอาอะไรเหะเห็นอะไรก็ด่วนนั้นแหละแต่ทำสม่าเสมอนะ ร, ระวังอันหนึ่งก็คืออย่าให้ปัญญาล้ำหน้า รู้โง่ๆรู้ซื่อๆไปครับไม่คิดนําคราะฉะนั้นถ้าปัญญาล้ําไปเดี๋ยวจิตไม่จะหลุดออกจากกรรมฐานครับจะหลุดออกไปคอยรู้สึกเป็นสบายๆดูกายทางานดูใจทํางานตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้แน่นไปอึดอัดไหมอึดอัดอยู่ครับอย่างนี้เรารู้ว่าไปเราบังคับครับังคับรู้ว่าบังคับก็ใช้ได้ ของคุณโดยภาพรวมใช้ได้นะก็ดีคือแล้วละครับผมแยกขันเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยครับคนภาวนาแยกขันไม่เป็นนะมันเดินปัญญาต่อไม่ได้นี่หลวงตามหาบุตรสอนนะครับหลวงปู่ดูลยสอนให้ดูจิตแล้วเห็นอะไรเห็นความรู้สึกกับจิตมันแยกออกจากกันได้นี่ก็คือการแยกขันงั้นการเจริญปัญญาเนี่ยถ้าไม่ได้แยกธาตุแยกขันนะไม่ได้เจริญปัญญาจริงหรอก มันแยกได้แล้วใช้ได้ไปดูบ่อยๆครับผมครับกับนมัสการครับผมนนี้ใจ ก, กใจกล้ามากเลยใจกล้าหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตออกไปอยู่ข้างนอกตอนนี้กลับมาปกติหรื อ, อยังเจ้าคะล้วดูออกไหมดูออกเออดูออกก็ถูกสิอยากได้การบ้านข้อต่อไปนะเจ้าคะต่อไปนี้ถ้าจิตหนีไปก็ให้รู้ทันเจ้าค่ะไม่ใช่ห้ามหนีนะ เรารู้แล้วว่าจิตออกนอกเป็นยังไงเราไปนี้จิตออกนอกก็รู้เจิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้แต่อย่ามุดเข้าไปข้างในก็แล้วกันมันมีจิตมุดเข้าข้างในได้อีกนะเจ้าค่ะหลวงข่อเจ้าค่ะต้องทําสมาธิเพิ่มไหมเจ้าค่ะทําได้ก็ดีเราฟุ้งเก่งแต่ทํายากใช่ค่ะไม่ไม่ลงง่ายหรอกโดยธรรมชาติเราฟุ้งเก่งเจ้าค่ะเพราะงั้นเราก็บริกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันจิตไปก็แล้วกันเจ้าค่ะกราบขอพระคุณย่างสูงเจ้าค่ะ ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อครับฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีกว่าป่าเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกตื่นเต้นมากใช้ได้นะ อ, ะอะก็มีส่วนมน์ตามที่หลวงพ่อบอกก็คือสิบนาทีตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนตอนก่อนนอนอนะครับและตอนเช้านั่งแต่ว่าไม่เช้าเนี่ยเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมันไม่สงบอเราก็ไปดูความไม่สงบอื มันก็เกิดความสงบขึ้นมาเราก็เลยโอกของหลวงพ่อนี่เด็ดจริงๆไม่ใช่ของหลวงพ่อของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้านี่เด็ดจริงๆคือคือเรามองมองในช็อตที่ตรงข้ามนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่ไปสวดมนต์เย็นที่วัดอืดสวดสวดไปครั้นี้จิตมันไหลออกไปอืเราก็รู้สึกอ๋อจิตมันไหลออกไปแล้วเราก็กลับมาสวดมนต์ใหม่อืก็มีความคิดว่าอ๋อนี่เลยคือจิตรู้ใช่ไหมผมก็น่าจะใช่แล้วที่มันก็กังวลอยู่คือ ตรงจิตรู้เนี่ยจิตรู้เนี่ยเกิดในช็อตต่อจากตรงที่รู้ว่าจิตไหลครับตรงที่ว่าเอ๊ะตรงนี้เรามั่งจิตรู้เนี่ยจิตคิดคมันยาวไวนะ้ละวตรงที่รู้ทันว่าไหลขนานั้นรู้แต่แต่ช็อตต่อมาคือคิดใช่ไหมครั บ, รบมันเร็วนะจิตรู้สั้นนิดเดียวอย่างเนี้เรียกว่าจิตถล่มลงไปเนี่ยเนี้ยเนี้ยหัวจุกเนี่ยรู้สึกไหมจิตมันถล่มเข้าไป อ่าก็ไม่มีอะไรแล้วครับส่งกันบ้านแค่นี้แต่หลวพ่อมีอะไรแนะนํำไหมครับใจฟงซ่านรู้ว่าฟงซ่านนะใจสงบรู้ว่าสงบไม่จาเป็นว่าจะต้องสงบตลอดหรอกแล้วการพาวนาเนี่ยไม่ว่าใครนะเจริญเราก็เสื่อมเราก็จะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้นี่คือตัวปัญญาหลวงพ่อครับหนึ่งถ้าเกิดแต่ว่าห้ามผิดศีลเท่านั้นนะ ถ้่เกิดเรามองเห็นอย่างไม่ช้าที่เห็นเนี่ยความสงบกับความไม่สงบเรามีความรู้สึกว่าจิตมันสั่งบอกว่าทั้งความสงบและความไม่สงบมันคือตัวเดียวกันอันนั้นให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอันนี้ฟุ้งซ่านใช่ไหมครับมันเริ่มเทศธรรมะละจะเป็นบ่อยครับโอนั่นแหละผมชอบเทศธรรมะดิ้นั่นแหละตัวนั้นเราเป็นวิปัสสนูนะ อ๋อใจมันจะมันในการพูดธรรมะโอ้อันอันนี้บางทีก็ไมสกิจมีเมียอยู่นะเมียหลับอยู่แล้วตีสามแล้วธรรมะปิ้งให้มันรีบปลุกมาฟังธรรมะนะแต่บางทีตัวนี้มันก็ทําให้จิตสงบนะครับหลวงพ่อเหมือนก็เหมือนกับแต่มันทําให้เสพติดอ๋อมันเป็นเสีบติดแล้วรับมืนมันฟุ้งในธรรมแล้วมันจบมันจบที่สงบแต่มันได้แค่นั้นแล้วต่อไปมันจะเคยชินเคยชินแล้วมันจะฟุ้งบ่อยๆแล้วฟุ้งแล้วต่อไปมันจะเริ่มระบาด หมายถึงว่าเริ่มไปยุ่งกับคนอื่นนะอ๋อใช่ยิ่งจะอยากสอนเนะ่ะเริ่มเทียเกง่งเออนั่นแหละนั่นแหละถูกมันหลอกแล้วอืให้ ร, รู้ทานว่าใจฟุ้งซ่านในธรรมะครับฟุ้งซ่านในธรรมะเป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งทำวิปัสนาอย่างไงก็ต้องเจอวิปัสสนูเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้ารู้ทนานนาใจตั้งมั่นขึ้นมาก็หายอ้โแต่ถ้าเราเพลินพิี่นาธรรมะแล้วเพลินนะจะยิ่งติดยิ่งเป็นมากขึ้นมากขึ้นเป็นเจอครับระวัง สาุครับหมดละสมควรแก่เวลารับพรเสียงแห้งแล้วอย่ารับเลยนะแยกย้ายไปเลยก็แล้วกันนะเราได้ทำความดีแล้วความดีเป็นพรของเราแล้ ว, ลวนะไม่มีเสียงแล้ว